วันนี้คนที่สามสิบใช่ไหมฮะมันนี่เยอเออเอาหอแล้วมาหน้าไว้เอาสามศูนนะนี่นักปฏิบัติกรรมฐานเนะ่ะเมื่อวานนี่มีคนก็พูดให้ฟังก็บอกว่ารอห้าให้โทรศัพท์ไปให้หมุนหมายเลขหกหกหนึ่งหกแอเราวังนะเออ น, นี่เขาเทปสีหาให้หวยไม่ได้ให้หวย วันนี้ก็ขอแนะนาําบรรดาญาติโยมผู้บริษัททุกคนในด้านพุทธานุสติกรรมฐ า, านแต่ความจริงแล้วกรรมฐ า, านที่เราปฏิบัติกันก็เป็นพุทธานุสติทั้งหมดถที่ปฏิบัติมาคําว่าพุทธานุสติแปลว่า น, า, านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านึกถึงพระพุทธเจ้าก็แปลพุทธานุสติ และวิธีปฏิบัติคำภาวนาในพุทธานุสติก็ไม่มีแต่พุทโธอย่างเดียว <c oughs> ถ้าใช้คำภาวนาในอิจิวิโสบทต้นทั้งหมดอยาใช้ตรงไหนก็ได้เป็นพุทธานุสติหมดอย่างที่ก็าภาวนาว่าสัมมาระหังอย่างีก็เป็นพุทธานุสติใ <c oughs> <c oughs> นนี้ก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทหรือว่าลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติในวันนี้ กรรมาฐานจริงๆสําคัญในการขึ้นต้นการขึ้นต้นที่ก่อนจะภาวนาหรือว่าเวลายามว่างไม่ใช่ภาวนาแต่ไปอารมณ์คิดคําว่าอารมณ์คิดก็ไม่จําเป็นต้องคิดทุกลมหายใจเข้าออกนั่นหมายความว่ามีจังหวะอารมณ์จิตว่างหน่อยหนึ่งเราก็คิดคิดเพื่อปฏิบัติเป็นอุสนอารมณ์คิดก็คือหนึ่งเพื่อให้กรรมาฐานส่งตัว อันดับแรกให้คิดถึงพรมีหารสี่พรมีหารสี่นี่เป็นพื้นฐานใหญ่ของทานศีลและก็ภาวนาสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรมีหารสี่หมดถ้ามีพรมีหารสี่กำลังใจอย่างประจําำกำลังใจอย่างเดียว คือว่าการให้ทานก็มีเป็นปกติการรักษาสิงห์สิงห์ก็มีการทรงตัวจะเจริญฌานสมาบาัตฌานสมาบาัติกทรงตัวจะเจริญมีปัสนายานวิจรารวิรสณาญาณก็แจ่มใสเออญาติโยมที่ฟังลูกลูกลกที่ฟังทุกคนมือลงก่อนกนะจะเมื่อยมือด้ยเจริญกรรมฐานมาวางก็ลืมบอกไป ระวพอ ม, มีหานสี่ก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุติตาไม่จิตอ่อนโยนไม่ฉาิสยาใครเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบขาวางเฉยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะ น, นำไว้ในทุมบริาการสูตรก่อนที่จะภาวนาก่อนที่รู้ลมให้ใจเข้าออก ให้ทุกคนแผ่เมตตาไปันจัจกรวาลทั้งปวงในกรหมายความว่าแผ่เมตตาไปทั่วโลกให้มีความรู้สึกว่าคนก็ดีใสก่ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกสเสมอกันถ้ามีอารมณ์คิดอย่างนี้อารมณ์ใจก็เป็นสุขถ้าต่อไปตุณ า, าความสงสาร เมื่อแผ่มเมตตาจิตแสดงความรักคนสัตว์ทั้งโลกแล้วจิตก็มีความสงสารคิดว่าคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีทั้งโลกที่เขามีความทุกข์อยู่ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราจะช่วยเหลือให้มีความสุขต่อไปมุทุตามีจิตใจอ่อนโยนคือไม่ฉันเสียไข่ เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยตัวการพอยินดีกับความดีของเขาทำให้เราเป็นคนดีตามขึ้นไปด้วยเปกระีอุบเบกขาวางเฉยกดข้องกรมอะไรชิ้นหมากมีการปร่วยไข้มาสบายและมีการไข้คล้องต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรม ด, ดาของร่างกายที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้แต่ทุกเวทนาหน้ามีจริง แต่ว่าจิตใจยอมรับนักถือว่ามันเป็นธรรมดาในเะมื่อมีร่างกายขึ้นมาการป่วยไข้มันสบายก็ต้องมีรีบริการหนึ่งถ้าโทษทันอันใดเกิดขึ้นแก่บุคคลใดถ้าบุคคลนั้นถูกลงโทษตามกฎของกรรมและกฎขะเบีบเราก็อย่าวางเฉยไม่โกรธผู้ลงโทษอย่างนี้จึงอนเป็นอบเบคาอันนี้เป็นอารมใจขั้นแรกที่นักปฏิบัติทุกคนต้องมีประจใจ เพื่อความเป็นสุขขออารมณ์และรายการที่สองต่อไปสังหาวัตถุสี่เมื่อมีเบตตาความรักกรุณาความสงสารมุสตามีจิตอ่อนโยนอุเบกขาวางเฉยแล้วจุดที่การปฏิบัติของเราที่จเพึงเข้าถึงคนให้คนมีความรักเป็ไม่เรียก ว, ว, ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรสหายกันเป็นที่ชอบพอกัน ไม่เป็นศัตรูกันก็คือหนึ่งทางการให้การรู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยเกิดความรักการสงเคราะห์นี้มาจากเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะถ้าเรามีความรักในบุคคลผู้นั้นถ้าเขามีทุกความสงสารมันก็เกิดเมื่อความสงสารเกิดเราให้ก า, า ร, กราาสงเคราะห์ตามกําลังที่เราจะพึงให้ได้ อย่างนี้ผู้รับ ก, ก็มีกําลังใจรักบุคคลผู้ให้เราก็มีจะมีมิตรจะมีความสุขสองปิยวาจาวาจาเป็นที่รักแตก่หมายความเวลาที่จะพูดอะไรออกไปดูว่าบุคคลประเภทนี้ชอบกล่าววาจาประเภทไหนวาจาสอยคําประเภทใดที่เขาชอบเราพูดประเภทนั้นก็จะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง แล้วก็สามอัตจริยาการช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกันอันหนึ่งก็เป็นปัจจัยเกิดความรักเพื่กันถ้าเขาขัดข้องทางกําลังกายไม่สามารถทํางานได้ทํางานชิ้นนั้นไม่สมําเร็จเราช่วยเหลือให้เขาทํางานสําเร็จความรักก็เกิดขึ้นระหว่างตัวการบุคคลนั้นแล้วก็สี่สมาณตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตน การไม่ถือตัวไม่ถือตนพบบุคคลผู้ใดก็ตามถือว่าเรากับเขาเป็นมิจกันเรากับเขาเป็นคนเชื่องกันไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่งกันอันนี้ก็เป็นปัใจจัยเกิดความรักรวมความว่าพรหมีหารสีก็ดีสภาวะถูกสีก็ดีก็เป็นกฎโรงเรียนสุทธรรมยานเถระโรงเรียนพระุธมรมญานวิทยาเถ ร, รมะมีเป็นกฎอยู่คือกฎนอกจากนี้นอ ก, กนและก็กดทั่วไป ทั้งหมดนี้ญาติโยมพระธบริษัทเอาไปปฏิบัติได้นะถั้งเจริญกรรมฐานนักคนปฏิบัติได้ต่อไปก็ขอญาติโยมทุกคนและทุกคนให้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกำหนดสิทธิควบศินห้าคือศินห้าด้วยกำหนดสิทธิด้วยคนจริงสินกับกำหนดสิทธิจริงก็คล้ายๆกับศินห้า นี่จะต้องปฏิบัติร่วมกันไปเพราะว่ากำหนดสิบปฏิบัติละเอียดมากถ้าบัดกำหกนดสิบควบสินห้าก็คือหนึ่งเบญจการฆ่าสัตว์สองเบญจการลักทรัพย์สามเบจากการประพฤติผิดในกรรมที่ทางกายแล้วก็สี่ไม่ดื่มสุราจะมีไรจัดทางกายเป็นสอย่างกำหนดสิบควบสินห้า สำหรับวาจาก็บทสิบต้องปฏิบัติสี่เหมือนกันคือหนึ่งเว้นแจกการพูดทปทดเว้นแจกการพูดคำหยาบเพ้นแจกการพูดส่อเสียดเท่าแต่ร้าากันพูดเว้นยาวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไรประโยชน์แล้วก็ทางจิตใจการจิตใจก็คือหนึ่งไม่คิดว่าทุสรายใครอุด หนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมสองไม่จองล้างจองฐานไม่จองเวรจองกรรมไข่ไม่คิดประทุษร้ายเขาแลวก็สามยอมรับนับถือคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทุกคนตั้งอยู่ในกฎตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสมาธิขั้นต้นก็ดีขั้นกลางก็ดีแม่ชานสมาบัติก็ตาม จะมีการส่งตัวศีลก็บริสุทธิ์นี่การจะรียนกรรมฐานมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีศีลเป็นพื้นฐานถ้าบุคคลใดมีทั้งศีลมีทั้งกำหนดศีลเป็นพื้นฐานกําลังสมาที่จะส่งตัวดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกันนี้เป็นการทำการปฏิบัติหมดที่สามเรือยไชนะพิญโยเธอเปรียพิญญาสมาบัติถ้าทุกคนมีบ่บมีหานสี่ประจําใจ มีสังหารวทุศีประจําใจมีศินห้ากรรมสิบประจําใจอย่างนี้ทิพยานจะมีสภาพแจ่มใสมากจเจงชัดเจนแจ่มใสต่อไปก็ขอเข้าเขต้องพุทธาพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติกกรรมฐานแปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คือว่าจะมีเวลาภาวนาและไม่ภาวนาก็ตามปกติถ้าใจมีความสุขใจมีลมว่างก็นึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าเวลาภาวนาเวลาภาวนานี่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งในกรรมะอิจิวิโสบท้นใช้ได้หมดแต่ว่าส่วนมากที่ใช้กันใช้คาว่าพุทธโธ ภาวนาว่าพุทโธคือให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธทีนี้เปินที่เวลาที่ภาวนาไปแต่ตามแบบจริงๆท่าบอกว่าพุทธทัศติที่จะทรงฌานจะทรงสมาธิได้ไม่สูงอย่างมากเราถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ว่าพระโบราณอาจารย์ท่านมีความฉลาดแนะนําไว้ให้เอาจิตใจจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง การไดจิตใจจับนึกถึงภาพรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นกับนีลให้ก่อนเริ่มเริ่มต้นอันดับแรกก็คือให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าปกคุมลมหายใจก่อนให้ใจออกรู้ว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้ถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้เป็นสมาธินาปานุสติกรมาธิ ต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทก็สักบันลืมถ้าลืมไปเผลอไปก็เริ่มต้นกันใหม่ถ้าติดไปนึกถึงอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็เป็นข้อนธรรมดามันรู้สึกตัวว่าเผลอไปก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทตอนนี้ตอนจับภาพพระพุทธรูป จับภาพเพื่ออันดับแรกให้ลืมตาดูพระพุทธรูปก่อนถ้าเห็นภาพพระพุทธรูปก็จําภาพพุทธรูปไว้ได้พร้อมกันนั่นในใจก็นึกว่าพุทโธหลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพพุทรูปภาวนาว่าพุทโธคือให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธแต่พอเผลอไปจิตเฟื้องภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ ลืมตาไปก็หลบับจำภาพได้แล้วจับตาภาวนาตามนี้นีตอนที่ภาวนาและประกอบด้วยภาพเป็นกสินเป็นกสินด้วยเป็นพุท ธ, ธานุสติด้วยเปรน า, าปานุสติด้วยสามอย่างการรู้ลมให้ใจเข้าออกเ ป, าาปารนาภานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุท ธ, ธานุสติการจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นพ เ, เ, เป็นเป็นกสิน ถาพระพุทธเจ้าสีเหลืองเป็นปิตากาลสินพระพุทธรูปนะพระพุทรูปสีเหลืองเป็นปิตากาลสินท้าสีสีขาววีโอทายเป็นสินเป็นสีท้าสีใสเป็นอะโลกสินนี่ลาจัดภาพไปในตอนแรกๆ ก, ก็จะจัดภาพก็ย่าลืมมั่งเลือนมั่งเป็นของธรรมดาและในการต่อไปไม่จิตมีความเคยชินที่เรียสมาธิส่งตัวภาพก็จะตั้งอยู่นาน คำว่าน้อยก็อาจจะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ได้และภาพก็หายไปถ้าภาพยังเป็นภาพพระรูปตามเดิมตามที่เราเห็นอย่างนี้นท่านถือว่ายังเป็นอุบาสขึ้นเ ข, เข้าสู่อุบจารสมาธิเบื้องตน้นถ้าเราดูพุธรูปรูปในสีเหลืองอย่างพุทธิชนราชประเดี๋ยวทุกคนอย่ากหน้าไปทางพุทธิชนราช ถ้าจำภาพพระพุทธราษฎร์สุทเินราชีเหลืองได้จำได้ทั้งองแล้วหลับตานึกถึงภาพนั้นภาพนั้นปรากฏกับใจไม่ใช่ลอยมานะภาพภาพปรากฏกับใจอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิเบื้องต้นก็ถือว่าเข้าเขต ด, ดีแล้วต่อไปต่อไปจิตจะมีการทรงตัวภาพพระพุทธรูปจะมีการแจ่มใสขึ้นในใจ เมื่อภาพรูปจันทร์ใสขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ถือว่าสมาธิสูงขึ้นต่อไปถ้าสมาธิดีขึ้นไปกว่านั้นจิตใจจะ ช, ชุ่มชื่นมีความอิ่มเอิยการทรงตัวดีภาพพระตรุษสีเหลืองจะค่อยๆกลายเป็นสีขาวจะกลายจากเหลืองเทียรน้อยเทียรน้อยเทียรน้อยค่อยๆกลายในที่สุดก็จะเป็นสีขาว อย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูงแล้วต่อไปจิตใจเราสามารถจะบังคับขอภาพพระโโรูปนี้จึงอยู่สูงขึ้นจะเห็นภาพสูงขึ้นขอภาพนี้อยู่ข้างหลังจะเห็นภาพข้างหลังเห็นภาพขอภาพอยู่ขา้างซ้ายจะเห็งซ้ายเห็นขอภาพอยู่ขวาเห็นขวา แด้ขอภาพที่จงใหญ่ขึ้นก็ภาพก็ใหญ่ขึ้นขอภาพที่เล็กลงก็เล็กลงอย่างนี้ถือไป้อุปจารสมาธิสูงสุดเหมาะแก่การใช้ที่ป็น์ภูยานต่อไปถ้าภาพพระรูปมีสภาพใส ย, ยิ่งขึ้นเป็นแก้วอย่างนี้ก็เวลานั้นกำลังจิตเป็นชาญสมาบัติอันนี้ขอแนะนำพุท ธ, ธานปิกรรมฐานไวเพียงเท่านี้นะเพราะว่าวันนี้ฝึกมโนยิทธิ มโนมยิธิจริงๆก็เป็นมโนมยิธิจริงๆนี่ยก็ก็เป็นผู้ทางสติเพราะอันดับแรกเราจะต้องนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนเป็นคำแนะนําของครูเขาต้องมีนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนความมิทิสจริง เ, เกิดสําหรับญาติโยมที่มานี่เป็นญาติโยมใหม่ก็มีเยอะก็ขอแนะนําคําว่ามาโนมยิธิแปลว่ามีฤธิ์ทางใจ ทำว่ามีฤทธิ์ทางใจก็ไหมายความว่าทางกายเราริไม่มีฤทธิ์แต่ฤทธิ์จะปรากฏทางใจนั่นก็คือว่าฤทธิ์ทางใจเราสามารถใจเห็นผีก็ได้ต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เห็นเปรีก็ได้เห็นสุรกายก็ได้เห็นสัตว์ใหญ่ฉันก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการใจเห็นเห็นได้หมด จะเห็นพระมโโลกเห็นเทวาดาเห็นหนงางฟ้าก็ได้ในเมื่อเราเห็นเทวดารื้เห็นนางฟ้าได้หเห็นพรนาพรมหมรือเห็นสัตว์นรกเราสามารถจะไปดินแดนนั้นได้จึงชื่อว่ามีฤทธิ์ทาง ใ, ใจและวิธีปฏิบัติขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับมโนยิธินี่ให้ใช้คำาวนาวัานะมะภาธะนายมนะคือใช้คำาวนาสี่คำจะเพาะมโนยิธิ เพ่ตามที่กล่าวถึงพุทธานุสติที่เมื่อกี้นี้ถ้าเวลาเราเลิกจากมโนยิธิแล้วยามาว่างๆเราจะใช้คำวนาว่าพุทธโธได้ไม่ห้ามกันแต่ว่าถ้าจะใช้วิชาการของมโนยิธิให้ใช้คำวนาวณามะพะทะถ้าญาติโยมจะถามว่าสำหรับมโนยิธิคือมีฤทธิ์ทางใจจะใช้ได้เฉพาะนมพะทะอย่างเดียวหรือก็ต้องขอตอบว่าไม่ใช่ คำาว น, นาเขาจะมาถ่ายกล่องนี้มีหลายสิบอย่างแต่ถ้าจะเลือกอนามะปัฒนะมาใช้ก็เพราะว่าเห็นว่าได้เร็วแล้วก็มีสภาพแจ่มใสดีเพระนั้นคอยจำคำภาวนาว่าใช้คำาวนาว่า น, นามาปาัฒนะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามาเวลาให้ใจออกนึกว่าพระ แต่การที่ควบคุมลมหายใจดีเขามันรดาญาโยงพุทธบัญชัดปล่อยลมหายใจไปตามสบายอยาบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาให้ยาวให้สั้นให้แรงเพราะว่าบางทีร่างกายให้ใจเบายาโยงคิดว่าเรารู้สึกน้อยบังคับหายใจแรงอันนี้ร่างกายจะเหนื่อยไม่ถูกต้องจะไม่มีผล ก็ปล่อยการให้ใจผู้น่ากายเป็นไปนตามปกติเวลาให้ใจเข้านึกวนะัณณมาอร้าย ใ, ใจออกในพระธรนี่การปฏิบัติอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพย์คุญานก่อนขอแนะนําคำว่าทิพยุยานเช่นก่อนคําว่าทิพยุคุยานนี่ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เพราะคนท่านดีมีลูกตาเป็นทิพย์ได้ก็ต่อสายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเรื่องพรหม ร่างกายท่านเป็นคิดตาท่านจึงเป็นคิดสํสหรับพวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อตาคิดไม่ได้จะมีได้แต่เฉพาะทิพยกุยานคำว่าทิพกุยานนี่คำว่ายานนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นตอนนี้ต้องจำไม่ดีนะญาติโยมนะ คำว่าญาณนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์คำว่าทิพย์กุยาณแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์นั่นหมายความว่าให้เชื่อความรู้สึกทางใจครั้งแรกเวลาที่ปฏิบัติจริงๆครูก็จะให้ภาวนาจริงๆประมาณสิบนาทีเวลาสิบนาทีได้ภาวนาว่าให้ใจเข้าในวนะมะยะออกในภาทะ ตอนนี้ขบันดาญาติโยมผู้ประกอบการทุกคนจงอยากอยา ก, ยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าเวลาภาวนาความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดความเป็นทิพย์จะเกิดขึ้นในเมื่อต่อเมื่อครูแนะ น, นําละได้มีปรัชนาญาณขณะที่ภาวนานี้ต้องการให้จิตทรงตัวจิตมีกําลังหลังจากจิตนาทีไปแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงถ้านั่งเป็นวงนะ ถ้านั่งเดียวก็ยมีคนเข้าไปนั่งขนาให้ทราบว่าคนที่นั่งกลางวงและคนที่นั่งขนาเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาและการรู้ลมให้ใจเขาออกก็เลิกไม่ต้องไม่ต้องรู้ใช้กําลังใจไปฟังเสียงคนทู่แนะนําเขาจะแนะนําในการตักกีรติ ขณะที่เขาแนะนำในด้านธรรมะในการตักกิเลสเวลานั้นจิตเขมายาญาโยมวัตุสัตว์จะค่อยๆว่างจากกิเลสทีละน้อยๆจนทั้งจะสะอาดที่สุดแต่เมื่อกําลังจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควรความเป็นทิพย์ก็เกิดเมื่อความเป็นทิพย์เกิดแล้วครูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้าง เขาถามถึงความรู้สึกไม่ถามไม่เห็นถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีทันทีจะไม่ผิดอย่ายั่งตัวนะถ้าไป น, นึกว่าถูกจะไม่ถูกแน่จะไม่แน่แจะสงสัยอย่างนี้อาจจะผิดขอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราฝึกไม่ใช่เป็นผู้ทําได้แล้วเขาถามมาเราตอบไปตามความรู้สึกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเมื่อผิดเขาให้แก้เราก็แก้ใหม่ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แปลกอะไรจะได้ถูกถห้รอดถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกของท่านเขาถามมาแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นอันนี้เกิดความรู้สึกของจิตด้วยความเป็นทิพย์ของจิตในบรรดาญาโยมทุกคนโปรดทราบว่ามีกําลังไม่เสมอกันบางท่านก็มีความเป็นทิพย์น้อยบางท่านก็มีความเป็นทิพย์มาก ทางนี้ก็เพราะกําลังใจที่ปฏิบัติมีกําลังใจไม่แน่นอนนักก็เป็นว่าท่านที่มีความเป็นที่น้อยจะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพท่านที่มีพระจิตสะอาดไปลกลางมีความเป็นทิปปี่ปางกลางจิตจะมีความรู้สึกเพราะพระจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนัก ท่านที่มีจิตสะอาดที่สุดจิตจะมีความจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจใเดียยอมรับและถือความรู้สึกของจิตเป็นสําคัญให้ใช้กําลังจิตเป็นสําคัญจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพเราไม่สําคัญในเมื่อเขาถานมาเรามีความรู้สึกยังไงตอบทันทีการ น, นั้นให้ถือความรู้สึกของจิตเป็นสําคัญ การปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการเลื่อความสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรดาญาโยมพระทศวริ ษ, ษทุกคนตั้นได้เกิดมาจำความได้รู้เรื่องคำพูดก็ยังมีคนกรพูดให้ฟังว่าเกิดแล้วก็มีความแก่มีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายในที่สุด เมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้ามีบาปสิงใจก็จะไปสู่รนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัจจฉานบ้างถ้ามีบุญสิงใจเราอยู่ก็จะเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างปณิพานบ้างเวลาเหลือประมาณทล็กสี่นาทีก็อขอแนะนำบรรดาญาโยมพระษัทว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างเบาที่สุด ในความหมายได้ง่ายได้ว่าได้ขั้นต้นต้นเบาๆอย่างมัตตกุณาลีเทพบุตรแต่ความจริงมัตตกุณาลีเทพบุตรเขาไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านนะฟังเรื่องราวของท่านอันนี้ก็อย่าสั้างโวนก่อนไม่เป็นไรคนรับผู้ฟังเรื่องราวของมัตตกุณาลีเทพบุตรสักเล็กน้อยเวลาเล็กนิดหน่อยคือว่าท่านมัตตกุณาลีเทพบุตรนี่ในใจกูนี้เขาไม่เคารพพระพุทธเจ้า เพราะว่าเป็นตนกูลของพราหมณ์พ่อพ่อมัตติกนาลีเทพบดจริงจริงก็เป็นพราหมณ์เป็นเป็นครูสอนเป็นครูสอนวิชาการของพราหมณ์ในเมื่อพุทธเจ้าเสด็จไปในเมืองนั้นผ่านนาบ้ายของเขาบ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ ในการต่อมารายกฎมัจกรนาลีเทพบทสมัยที่เป็นคนเป็นลูกของมาอาจารย์ผู้เป็นมหาเศรษฐีก็เริ่มป่วยเมื่อเธอป่วยขึ้นมาแล้วพ่อเป็นมหาเศรษฐีแต่เชืดอด้ฉาตังจะซื้อยามาให้ลูกก็เกรงว่ามันจะแพงจะหาหมอมารักษาก็เกรงว่าจะเสียฉาตังมาจึงไปถามหมอว่า ลูกชายเป็นโรคผิวเหลืองผอมเหลืองแบบนี้ จ, จะรักษาด้ยาอะไรหมอเขาก็บอกว่าหมอบอกหมอบอกยาตำรากลางบ้านมาให้แกก็ไปเก็บมารักษามันก็ไม่ถูกกับโรคในที่สุดลูกก็ป่วยหนักลงไปทุกทีกทุทีนี่ท่านมหาเศรษฐีและพราหมณ์คนี่มีความรู้สึกว่าขนานดะที่ลูกชายของเราป่วย แต่ว่านอนในห้องที่เป็นสลิดหอห้องที่มีสมบัติมากมีเครืองประดับมากบ้านมหาเศรษฐีดีไม่ดีญาติของเราทราบว่าลกชายของเราป่วยก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อพากันมาเยี่ยมเห็นของที่มีค่ามากๆอย่างนี้คนนั้นก็จะขอนั่งคนนี้ก็จะขอนี่ถ้าเขาขอเราก็จําเป็นต้องให้ที่ให้เขาเพราะลูกป่วยทางที่ดีสองคนตายยายก็ช่วยกันยกลูกมานอนที่เราเบียงเรือน เรือว่าญาตินัเยี่ยมจะได้ไม่เป็นไรไมันจะไม่เห็นของที่มีแตะขาวมากลูกก็ป่วยหนักลงไปทุกทีใ น, นที่สุดลูกชายก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ทั้งสองคนไม่เป็นที่พึ่งของเราไม่สามารถจะช่วยเราได้ทรัพย์สมบัติในความเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถจะช่วยเราความป่วยไข้ไม่สบายของเราได้คิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราแต่ว่าตามข่าวเขาบอกกัน เขาบอกว่าพระสมณะโคดมที่เขาเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระที่มีความเมตตาสูงสงงคระไม่ว่าใครใครไปหาท่านท่านจะช่วยทุกคนทุกคนเธอก็ตั้งใจคิดนึกถึงพระพุทธเจ้า่าขอให้มาช่วยหายจากความเป็นโรคขณะที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อาการไข้ก็ไม่ดีขึ้นมันก็โปยดักเข้ามาทุกที แต่เขาก็ไม่ละการนึกถึงต่อมาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเดชบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านหลังนั้นมาด้คุณดีที่ป่วยก็อยากจะยกมือไหว้ได้ยกมือไหว้ไม่ไหวเอาแค่นึกตั้งใจขอให้ท่านช่วยในเวลาไม่ช้าต่อมาก็ตายอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจา้าความจริงไม่ได้นึกถึงความเคารพตั้งใจนึกถึงต้องการให้มาช่วยหายป่วย เขาก็ไปเกิดมันเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคำเป็นบริเป็นเป็นที่อยู่มีนาวฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับมีกระด่างหูเกลี้ยงเกลี้ยงเป็นทองเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงมีนามว่ามัตติกุณลีเทีบุตรแปลว่าเทีบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยง ในเมื่อเธอพิจารณาที่ประสมบัติว่าเราเกิดมาได้ทิปปสมบัตินี้เพะอะไรก็ทราบว่าก่อนจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าให้มาช่วยแต่ทั้งบาทั้งที่เราไม่นึกถึงด้วยความเคารพแต่ว่าอาศัยบุญยีนึกถึงขั้นเป็นปัจจัยเกิดปีตวดาได้แล้วจึงนึกถึงพ่อมาดูพ่อเวลานี้พ่อเวลาที่เราอยู่มีความขี้เหนียว จะซื้ อ, อยาก็กลัวแพงจะหาหมอกลัวเสียสะตางมากเวลานี้พ่อไปยืนร้องไห้ที่ปักกลุมหลังฝังศพต้องการให้ไปเกิดเธอต้องการจะทรมานพ่อจึงแปลงตัวคล้ายเดิมมายืนยงใกล้ใเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องมั่งท่านมหาเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายที่ตาย แต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ต้องการอะไรจึงเข้าไปใกล้ถามว่าโพ ร, ริษระดูก่อนบุษผู้เจริญเธอร้องไห้ต้องการอะไรม่ได้กุณารีเทพบุตรก็ถามว่าท่านร้องไห้เพื่อต้องการอะไรท่านมหาสิทธิ์ก็บอกว่าเฉพาะนะฉันร้องไห้นึกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วอยากให้ลูกชายมาเกิดใหม่ม่ได้กุณารีก็บอกว่าจีบผมร้องไห้เพราะผมมีรถ ทองคําอยู่คันหนึ่งสวยมากแต่ยังไม่มีล้ออยากจะได้ล้อหารอไม่ได้แต่มหาเถรษีก็ถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําหรือต้องการล้อแก้วมณีจะหาให้เทวดาก็มีความคิดว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์ป่วยไข้ไม่สบายมอดพ่อเสียดายไม่จะไ่ย้ยา แมื่เราตายไปแล้วเจอคนหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ท่านไม่ไม่เปความที่ใดจะหาทองคําและแก้วมนีมาทำล้อให้จริงบอกกับท่านพ่อหวังจะทรมานว่าผมไม่ต้องการทองคําเป็นลอ้อผมไม่ต้องการแก้มนีเป็นลอ้อพงต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถข้างและข้า ง, างอันอย่างอย่างละข้างถ้ามาหาเศรษฐีก็ตอบว่าเธอบ้าทีก็อตอบว่า ผมต้องการสิ่งที่มองเห็นกับคุณลุงต้องการสิ่งที่มองไม่เห็นใคระบ้ามากกว่ากันเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐียอมในที่สุดเธอก็สแสดงตัวว่าเธอน่ะคือลูกชายเวลานี้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดึงสติวโลกเวลาเดือนน้อยขอเล่ารับ